สวัสดีครับกับผมธันทแพทย์นัทพง์กหนกวิลุณผู้ดำเนินรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์วันนี้เราได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับรายการนี้เผยแพร่ทาง w w w p e er เว็บดอ m พิเอรซึ่งรายการจะเป็นการสนทนาปัญหาทางธรรมะนะครับและรายการนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ไยบูลอภิปุลโนแห่งวัดป่าดอนหายโศก จังหวัดอุดรธานีมาร่วมดามเนินในการเรากราบน้ำมัสการท่านพร้อมๆกันนะครับกราบน้ำมัสการครับเจารย์พรอมาตมาก็พระไยบูรณ์อภิปุณโนก็เราจะจัดรายการเปิดทางที่ถูกปิดภาพออนไลน์นนทุกๆวันพฤหัสก็จะมีการอัปเดตให้ผู้ที่เข้ามาชมเว็บไซต์เนี่ยได้ดาวน์โหลดไปฟังได้ที่หมอเ น, น, นตงพง์พูดและว่ารายกา ร, รเราก็จะเอา หลักของพุทธวจนะเนี่ยมาใ น, ในการประดิบมาในการเ็าเรียกว่าแอพพลายมาในการที่ใช้มาในการใช้งานในรูปแบบของการใช้งานที่ว่าในเรื่องต่างๆเราจะเอาธรรมะอะไรเข้าไปจับได้ไงโดยใช้หลักพุทธวจนะครั บ, รบซึ่งวันนี้ก็มีสองสเรื่องที่จะคุยกับท่านผู้ฟังใ ห, ให้ได้ฟังด้วยก็คิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ คืออาตมาก็มีเรื่องในใจอยู่ที่หมอรัตตภงมีมีเรื่องอะไรที่จะคุยกันไหมในสัปดาห์นี้มีจากเมื่อคราวก่อนที่ทิ้งท้ายในเรื่องของเรื่องของมัคหรืออริยมัคมีองค์แปที่เราฟังกันถึงนะครับว่าในวันนี้อยากต้องการที่จะมาแจกแจงอธิบายมัคแต่ละองค์แต่ละองค์ทีนี้ก็จะยาวเพราะว่ามีถึงแปดองใช่ไหมครับใช่แอย่างก็ไม่ทราบว่าท่านเห็นควรว่าจะ เริ่มอริยมรตมีองค์8ก่อนหรือจะเอาปัญหาที่ท่านค้างคางก่อนก็นนว่าอย่างนี้เรื่องของรมรตมีองค์8ดเนี่ยเอ า, เ, อาเราเราเอาเรื่องที่คุณจะต้องทราบก่อนเ<ม>กีเ่ยวกับมรตยกตัวอย่างเช่นถนนเส้นหนึ่งเนี่ยท่านผู้ฟังหรือคุณหมอรังศ์เคยขับรถถูกไหมรเราเคยขับรถไปตามถนนหนทางเนี่ยเราจะพบว่าถนนเนี่ยมันไม่ใช่เอาคอนกรีตมา ป, ปูเฉยเฉยมันจะต้องมีองค์ประกอบของถนนป้าย บอกทางอันนี้ต้องมีนะแล้วก็ต้องมีอะไรอีกถนนต้องมีอะไรบ้างไฟใช่ฮะแสงสว่างแสงสว่างแล้วต้องมีอะไรเส้นป้ายสัญญาณป้ายสัญญาณเส้นเส้นจราจรใช่ครับบางยิ่งทางหลวงทางที่ต้องใช้ความเร็วสูงนี่ต้องมีรั้วด้วยถูกต้องครับต้องมีรั้วคอนกรีตหรือว่ารั้วเหล็กนะเพื่อป้องกันแล้วในบางที่เนี่ยยังระบบคอนกรีตของเขานี่ยังเป็นระบบของรางระบายน้ําอะไรต่างๆใช่ครับเพื่อที่ไม่ให้น้ํามาขังอยู่ใน ในโ ห, หนหนทางครับซึ่งทางเนี่ยถนนที่ปลอดภัยคือถนนที่จะสามารถพาเราไปที่ต่างๆได้โดยปลอดภัยครับก็ต้องมีองค์ประกอบที่ข่านพื้นฐานอย่างนี้นะซึ่งพวกวิศวกรรมการทางเขาคงจะทราบกันดีอยู่ทีนี้เหมือนกันถนนที่จะไปสู่ความสุขที่จะไปสู่แห่ น, หนทางดับทุกข์เนี่ยก็มีองค์ประกอบเหล่านี้เหมือนกนนันอันแรกเนี่ยก็คือที่เราทราบกันมีมรรคประกอบด้วยองค์8ประการคือหนทางเนี่ยมีอยู่ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบอยู่8อย่างใช่ครับจะพาไปสู่ทางที่มีความสุขความสงบได้ก็คือมักมีองค์8ปดแล้วนี่ก็คือยกตัวอย่างลักษณะนี้ครับจริงๆก็คือโดยความหมายก็คือเส้นทางเนี่ยเป็นเส้นทางเดียว่มีวิธีเข้าถึงเส้นทางนี้8เส้นทางใช่ไหมครับมีวิธีเข้าถึงได้มากกว่า8เส้นทางมีเข้ามาได้โดยรอบพระเจ้าบอกว่าทางเข้าถึงวิมุติเนี่ยมีได้โดยรอบแต่ว่าทางทุกทางที่มานั่น่ะ ททางที่มาเลยนะก็คือนําไปสู่ที่เดียวมีจุดหมายเดียวกันคือวิมุตติหลุดพ้นนั้นแล้วแต่ละทางที่มาที่มาเนี่ยก็มีองค์ประกอบแปดอย่างอ่ะยกตัวอย่างเช่นนายกคุณไปปฏิบัติเลยคุณไปเข้าสุดหลีกเรนไปอยู่ป่าก็ได้คุณบอกทําอะไรไปทาอะไรไปเจริญเห็นความไม่เที่ยงอย่างเดียวนะนี่นายกทำส่วนนายขออีกคนหนึ่งไปอยู่ป่าอีกแห่งหนึ่งบบอกว่าไปเลยคุณไปอยู่ที่หลีกเรนนี้เขาทําอะไรเขาไปเจริญเมตตาอย่างเดียว อืมครับเอาในงองูในงองูงองไปไหนไปอยู่ป่าเหมือนกันแต่อยู่เรือนว่างในป่านะแล้วทําอะไรไปเห็นอ่าเห็นกาย ค, ความน่าเกลียดไม่สวยงามของกายที่เขาเรียกว่าอสุวภาสใช่ครับแต่ละคนแต่ละคนในกรในคอในงอเนี่ยนะในกรในขอ ใ, ใ, ในงอเนี่ยก็ไปทำคนละที่เห็นไหมว่าเขาปฏิบัติไม่เหมือนกันด้วยแต่ทางที่เขาปฏิบัติเนี่ย นายขอคุณไปเห็นเกิดดับคุณไปถึงนิพพานได้ได้ได้ไดไดนายขอคุณไปเจริญเมตตาคุณนะถึงนิพพานได้ไหมได้ถ้ามีโปรดชงด้วยการเจริญเมตตาแบบที่ไปสู่วิมุตติพระพุทธเจ้าก็บอกไว้ครับนะในงองงูคุณไปไปทําอะไรไปเห็นการความไม่งามในกายคุณไปถึงนิพพานได้ไหมก็ได้เหมือนกันครับเห็นไหมว่ามีทางปฏิบัติเข้ามาด้วยเรารอรบแต่ว่าแต่ละทางที่คนคนนั้นคนนั้นใช้เนี่ยคุณมีเมตตา ความที่คุณจเจริญเมตตาเนี่ยมีเป็นมรรคแปดนะเป็นมรรคที่มีองค์ประกอบแปดอย่างครับใน ง, งองูคุณเห็นกายเป็นของหน้าเกล็ดใช่ไหมนั่นแหละมีองค์ประกอบแปดอย่างครบอยู่ในนั้นครับในกอคุณจเจริญเห็นการเกิดดับใช่ไหมคุณก็มีมรรคมีองค์แปดอยู่ในนั้นครับครับซึ่งประเด็นนี้จริงๆแล้วในในในบ้านเราหรือว่าผู้ปฏิบัติก็ยังไม่ได้เจาะลึกว่าในการปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยจะเข้ากับมรรค องไหนบ้างนะครับถ้าอย่างนี้เราเรามาเริ่มเจาะประเด็นในเรื่องของมัคแต่ละองค์เลยดีไหมครับอทีนี้ก่อนก่อนที่จะเข้าไปถึงประเด็นของมัคแต่ละองค์เนี่ยเราจะยกตัวอย่างของในกรในขอกับในงอนี้ก่อนนะครับว่าในกรในขในงปฏิบัติไม่เหมือนกันนะแต่ทําไมมีมัคแปดเหมือนกันได้ยังไงอมีองประกอบแปดอย่างเหมือนกันได้ยังไงเราจะพูดให้คร่าวๆตรงนี้ฟังนิดนึงซะก่อนครับได้ครับก็คือว่าในกรเนี่ย ในขอในขอแล้วก็ในงอเนี่ยนะเขาทำสิ่งเดียวกันคือความเห็นที่เขาเนี่ยต้องเอามาใช้ในการที่เห็นเกินดับก็ตามจะเลยเมตตาก็ตามเห็นความไม่งามในกายก็ตามความเห็นของเขาที่เอามาทำตรงนี้เขาจะต้องมีความเห็นก่อนนะในการที่เขาจะมาปฏิบัติตรงนี้ได้ความเห็นที่เขามีตรงนั้นเนี่ยคือสมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องแล้วความเห็นถูกต้องหรือความเห็นชอบที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเป็นองค์ <Tong ue S 2> แรกเลยองค์ที่สำคัญเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือในระหว่างที่เขาในระหว่างที่นายกอร์กำลังเห็นการเกิดดั บ, บใช่ไหมระหว่างที่นายขอกำลังมีจิตเต็มไปด้วยความเมตตาระหว่างที่นายงอนี่โอ้เหความไม่งามในกายจิตของเขาเนี่ยในขณะนี้เนี่ยจะไม่มีความคิดเรื่องการจะไม่มีความคิดเรื่องพยาบาทแล้วก็จะไม่มีความคิดเรื่องความเบ็ดเบียน <tım>. ถูกไหมจิตเนี่ยจะไม่มีความคิดเรื่องนี้ครับอ้าวยัยงง <ix S 2> ั้นก็เป็นสัมมาสังกปปะสิครับก็คือเข<ช>้ากับองค์ธรรมข้อที่2คือสัมมาสังกัปปะหรืออีกแบบเป็นภาษาไทยว่าความดำริชอบความดำริชอบตรงนี้ครับแล้วก็นอกจากนี้เนี p, p, ่ยคนที่เขาเอาสตินํามาจดจ่อกับการที่เขาไม่ไปคิดเรื่องอื่นเลย นะมีแต่เมตตาฉันไม่คิดเรื่องอื่นเลยฉันเห็นแต่การเกิดดับฉันไม่คิดเรื่องอื่นเลยฉัน เ, เห็นแต่ความไม่สวยงามในกายตรงนี้คุณต้องมีสตินะคุณต้องมีสติมีสติตรงนี้แล้วเนี่ยมีสติแล้วเนี่ยตรงนี้คือสัมมาสติครับอืมครับสัมมาสติตรงเนี้ยแสดงว่าทั้งสามคนมีสัมมาสติครับพอบมีสัมมาสติอย่างนี้แล้วก็คือหนึ่งละหนึ่งองค์ประกอบในของมรแปดละครับความเพียรที่คุณแทนที่จะไปเดินห้าง ไปเที่ยวตามที่ต่างๆไปเที่ยวต่างประเทศคุณมานั่งสมาธินะครับความเพียรตรงเนี้ยเป็นการละอาคุศลทํากุศลให้เกิดครับความเพียรตรงนี้ก็เป็นสัมมาวายมะสัมมาวายามะก็คือความเพียรชอบความเพียรชอบครับครก็สี่องค์ละสี่อย่างละสี่องค์ประกอบละก็มีอะไรอีกก็จะมีสัมมาวาจาสัมมาวาจาอสัมมากัมมันตสัมมากัมมันตสัมมาอาชีวะ แล้วก็สมาธิเอาสมาธิก่อนครถามว่าสมาธิของในกในขอและในงอมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับคือจิตของเขาเนี่ยเวลาที่เขาพิจารณาเรื่องสามเรื่องเนี่ยนะไม่เหมือนกันนะจิตของเขาเนี่ยถ้าเขาพิจารณาอยู่แล้วจิตเป็นหนึ่งอาการที่จิตเป็นหนึ่งนั่นแหละคือสมมาวายมะสัมมาสมาธิครับพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้สัมมาสมาธิเนี่ยมีองค์ประกอบเจ็อย่างคือสมาธิที่สมมา อะไรต่างๆเจ็ดอย่างแรกเนี่ยนะแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งนั่นแหละคือสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นจิตของเขาเนี่ยถ้าเขาพิจารณาสามเรื่องนี้อยู่เขามีจิตที่เป็นหนึ่งปุ่มคุณมีสมาสมาธิละครับส่วนเรื่องกายวาจาและอาชีวะเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่จะมาทําอย่างนี้ได้เนี่ยกายวาจาอาชีวะของคุณเนี่ยต้องบริสุทธิ์มาแล้วแต่เดิมอ๋อพื้นฐานก่อนที่จะทำทิศอย่างนี้เนี่ยใช่เรื่องสามเรื่องนั้นเนี่ยจะต้องสมบูรณ์อยู่แล้วคุณต้องมีอาชีพที่ดีละครนะไม่ ไม่อาชีพที่ไม่ผิดศีลว่างั้นเถอะวาจาคุณก็ไม่ผิดศีลนะกายคุณก็ไม่ผิดศีลคุณคถึงจะมามีความเหลี่นอย่างนี้ได้ใช่ครับก็แสดงว่าทั้งสมคนเนี่ยนาอในายขนงอเจเริญมัสมีองแปดได้ทั้งหมดครับเป็นทางไปสู่วิมุติเหมือนกันแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาได้เดียวรอบตรงนี้ทําให้คนงงว่าเอ๊ะมันเป็นทางแปดสายหรือเป็นทางกี่สายกันแน่แต่เป็นทางโหมีน้ำไม่ท้วนเลย อมีนับไม่ถ้วนเลยของของสายเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบเรื่องนี้นะกับท่าขึ้นฝั่งแม่น้ํำคงคาท่าขึ้นฝั่งแม่น้ํำคงคาเอาท่าขึ้นฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาก็แล้วกันมันไม่ได้มีท่าประจันท่าเดียวอืมันจะมีท่าพระอาทิตย์ท่าปากคลองตลาดอท่าช้างท่าโหหลายท่านับไม่ท้วนเลยนะครับนับไม่ท้วนเยอะมากเพราะฉะนั้นท่าขึ้นฝั่งแม่น้ำคงคาหรือท่าขึ้นฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา่ยมีเยอะ เช่ che นเดียวกันกับท่าที่ไปถึงบิมุตดเนี่ยข้ามฝั่งไปจากฝั่งนี้ซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจเนี่ยไปสู่ฝั่งนู้นที่เป็นบิมุตดเนี่ยเรามองว่าฝั่งนี้คือสมมุติเหมือนโลกที่เราอยู่ใช่ข้ามไปวิมุติดมีได้ไม่จํากัดเยอะมากอนับไม่ท้วนเลยใช่ไหมนับไม่ท้วนพระพุทธเจ้าใช้คำนี้มีมากเหลือประมาณว่าอย่างนั้นแต่วิธีที่พระพุทธเจ้ามาสอนเนี่ยนะครับก็คือเรียกว่าพิสดารแล้วนะครับคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนที่ออกแบบมากใช่ครับใช่ถูกไหม มป็นโกวิโทอ่าเป็นยังไงอีกมัคคันยูมัคทันยูอ่มัคคโกวิโทอ่ามัคคะโกวิโทมัคทันยูแล้วก็แต่พวกเราเป็นมัคมคคานุคาใช่พูดเดตามมัคคครับซึ่งซึ่งอาจยมาตรงนี้ยกเปรียบเทียบเหมือนกับคอมพิวเตอร์ครับคนที่ออกแบบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะเขาจะต้องรู้ว่าแต่ละ หน่วยความจำเนี่ยทำงานยังไงมีความรเร็วเท่าไหร่รการส่งผ่านระหว่างความจําไปฮาร์ดดนะิสที่เก็บข้อมูลไปจอภาพไประบบเครือข่ายโอ้โหมันทํางานกันข้างในเนี่ยเราไม่รู้เลยซับซ้อนมากคนที่ออกแบบเท่านั้นถึงจะรู้ใช่ครับในขณะที่คนถามว่าคุณใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยคุณเล่นอินเทอร์เน็ตหรือว่าคุณมาดาวน์โหลดไฟล์นี้ไปฟังเนี่ยคุณก็แค่รู้ว่าอินเทอร์เน็ตทํางานยังไงแค่คลิกไปคลิกมาแต่คุณไม่รู้ว่าข้างในคอมพิวเตอร์มันทานํางานยังไงนึกออกไหมนี่คือความแตกต่างระหว่างคนใช้กับคนออกแบบ ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนออกแบบมร์ครับเป็นคนดีไซน์ออกแบบเพราะฉะนั้นความรู้อะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องมร์ทั้งหมดโอโ้โหพระเจ้าคล่องแคล่วกว่ามากครับเป็นผู้ค้นพบอ่าเป็นคู่มา ก, ก่อนเป็นผู้ ค, นค้นพบเป็นผู้ออกแบ บ, บซึ่งเราเป็นผู้ใช้เฉยๆใช่ครับเพราะฉะนั้นความละเอียดรอบคอบแง่มุมต่างๆเนี่ยจะไม่เหมือนกันถ้าหมอแล้ววงเอาร ถ, รถมีรถมีปัญหาใช่ไหมใช่ครับ เราไม่รู้เอ้มันเป็นอะไรทำไมันมีเสียงดังกึกกักอยู่ที่ใต้ท้องเอาไปให้ช่างดูโอช่างมันรู้เลยว่าซ่อมยังไงใช่ครับด้วยความที่เขาเป็นช่างเขามีความชำนาญเหมือนกันพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความชานาญในเรื่องมรรคพระองค์จึงสามารถออกแบบมรรคได้โอ้โหหลายอย่างมากเอาแค่กายนุปัาสนาสถิปติฐานเนี่ยโอ้มีตั้งแต่เห็นกระดูกเห็นหนังอะไรโอ้โหเยอะแยะไปหมดเมตาก็ได้โพชฌงก็ได้อะไรก็ได้ซึ่งพพุทธเจ้าบอกว่า ทำของเราเนี่ยเราประกาศไว้ดีแล้วไม่มีส่วนที่อยู่ในกํามือที่ไม่เปิดเผยให้ดูครับคือเปิดหมดเปิดหมดแล้วอยู่ในมือนี่แบมหมดไม่มีกรรมะที่อยู่ในมือครับทีนี้ย้อนกลับมาในเรื่องของมัสมีองคศาซึ่งจะขอเจาะทีละมัสมทีละมัสมได้ได้พี่ว่าที่ว่าไปได้แล้วอย่างเช่นอ่ามัสมองค์แรกก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็เห็นชอบถือว่าเป็นทำเบื้องต้นเลยใช่ไหมครับในผู้ที่จะ มุ่งเข้าสู่เส้นทางธรรมมุ่งหวังมรรคผลนิพพานเนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นตัวแรกไหมครับท่านมสมาธิตินี่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นทางที่มาก่อนเป็นรุ่งอรุณของมรรคทั้ง8ดครับมรรคมีองค์8ดเนี่ยสมาธิติเนี่ยเรียกว่าเป็นรุ่งอรุณครับเหมือนกับพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างเหมือนกับแส ง, งแสงทองกับแสงสีขาวนี่จะมีอยู่ที่ขอบฟ้าก่อนที่ พระที่จะขึ้นมาอมตอนเช้าครับตอนเช้านะตอนรุ่งอรุณเ น, นี่ถ้าเราเห็นแสงสีทองกับเห็นแสงสีขาวนะแน่นอนเลยเดี๋ยวพระาที่จะมาจะขึ้นละอ่าเช่นเดียวกันถ้าคุณมีสมาทิฏฐินะเดี๋ยวอีกหน่อยหนึ่งมรรคทั้งแปดจะครบบริบูรณ์อ๋อก็จะเจริญตามมาใช่ครับทีนี้โดยหลักของสมาธิฏฐิเนี่ยเท่าที่ฟังมาคือในประเด็นหนึ่งคือการเห็นการเกิดดับของสรรพสิ่งทั้งมวลทั้งรูปและนามใช่ไหมครับนี่คือในหนึ่งประเด็น ก็เป็นสมาธิฏิใช่ไหมครับนะี่คือความเห็นที่ถูกต้องครับคือเห็นตามที่เป็นจริงไว้อย่างนั้นเถอะครับที่นี <c> ้ <oughs> โทษครับในอีกประเด็นหนึ่งเคยได้ยินมาว่าสมาธิฏฐิเนี่ยจะประกรอบด้วยหนึ่งคือโยนิโสมนสิการอสองกัลยาณมิตรอันนี้คือประเด็นที่พระอาจารย์ช่วยแจกแจงครับกัลยาณมิตรนะคือ ทั้งหมดของพรหมจรรย์ที่พระุทธเจ้าพูดถึงเรื่องโยนิสโสมนัสิการเนี่ย ค, คือพูดถึงคนที่อาศัยการโฆษณาชวนเชื่อของบุคคลเหล่าอื่นครับมีคนมาโฆษณาบอกเออ ย, อย่างนี้อย่างนี้ดีเรามีโยนิสโสมนัสิการครือการโฆษณาชวนเชื่อของคนเหล่าอื่นบวกกับโยนิสโสมนสิการจะทําให้เกิดสัมมาธิฏิได้รประเด็นตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณฟังธรรมะมาจากที่ไหนไม่รู้แลฟังมาฟังมาถูกหรือผิด ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าคุณต้องมีการโยนิสโอมนสิการที่ดีพอมีเยลนิสโอมานสิการที่ดีแล้วสิ่งที่จะเกิดตามมาได้คือสัมมาทิฏฐิพอมีสมาธิฏฐิแล้วสัมมาสมาธิก็เป็นสิ่งที่หวังได้พอมีสัมมาสมาธิแล้วการรู้เห็นตามที่เป็นจริงก็เป็นสิ่งที่หวังได้รู้เห็นตามที่เป็นจริงแล้วก็จะเกิดความเบื่อหน่ายได้เบื่อหน่ายแล้วจะคลายกําหนัดปล่อยวางได้ได้ครัลายกำหนัดปล่อยวางได้จะทำวิบูเทให้แจ้งได้เป็นสิ่งที่เป็นตรนาที่เป็นไปได้ครับ ต้องขอโทษนิดนึงพอดีเพื่อเพื่อมีผู้ใหม่เป็นผู้ฟังทางอินเทอร์เน็ตผมลืมไปว่าโยนิโสมานัสิการเนี่ยจริงๆก็คือแปลว่าปวการพิจารณาในใจโดยแยบคายโดยแยบคายครับก็อาจจะเป็นพอดีพลาดไปนะครับเพื่อมีคนใหม่เดี๋ยวอาจจะไม่เข้าใจตัวบรรยัตินะครับทีนี้ครับเรื่องของอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันการโฆษณาชวนเชื่อของบุคคลเหล่าอื่นบวกกับ อโยนิโสมนสิการอืมครับอโยนิโสมนสิการจะทําให้เกิดอะไรสิ่งตรงข้ามกับสมาธิมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิครับนะพอเราฟังคนอื่นเข้ามาโอ้เขาว่าอย่างนี้อย่างนี้เราไม่ทําใจในใจโดยแยบคายไม่พิจารณารอบครอบเกิดมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาทันทีครับอันนี้ก็ต้องระวังครับพอมิจฉาทิฏฐิตามมาแล้วเนี่ยโอ้โหสิ่งที่เป็นมิจฉาทั้งพร่วนตามมาหมดมาหมดเลยมิจฉาวาจามิจฉาสมาธิอะไรครับเราก็จะไม่มีทางทําให้ วิมุตต์แจ้งได้เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้พ ร, ระรัว่าจริงๆในโลกปัจจุบันเนี่ยตรงนี้สำคัญนะครับท่านอาจารย์เพราะว่าโอ้โหในยุคทุนนิยมเนี่ยคือเขาใช้การโฆษณาเนี่ยเป็นอาวุธในการสื่อสารตู้มนะครับ <ใช S 1> ทำบ่อยๆทำให้มากทำให้คนผู้บริโภคเนี่ยหลงกลืนหลงเชื่อไปจนทาให้ท่านิยมต่างๆเนี่ยเ ร, เรางงมากในสมัยก่อนเนี่ยเออย่างเช่น มันมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ปัจจุบันกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาอ๋อครับใช่อย่างสมัยก่อนเนี่ยถ้าผู้หญิงจะมาใส่สายเดี่ยวนี่โอ้โหไม่มีนะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนถนนหรือว่าแค่นุ่งมินิสเกิร์ตเนี่ยสมัยอาตมาที่ยังมีอยู่สมัยมหาธัททพงศนี่คงหาไม่มีครับแบบเพิ่งจะมามีในระยะหลังๆอย่างเงี้ยนะซึ่งซึ่งมันก็ยิ่งถอยลงถอยลงใช่ครับใช่ครับประเด็นทางศิลธรรมกลายเป็นเรื่องโอ้ใครพูดเรื่องศิลธรรมกลายเป็นของแปลกของตกโลกนะครับ เลยส่วนหนึ่งก็คือโดยความมุ่งหวังก็อยากต้องการที่จะช่วยช่วยกันเจริลง ใ, ในส่วนของศิลธรรมผ่านทางรายการต่างๆสื่อต่างๆนะครับใช่เพราะฉะนั้นรายการนี้เปิดทาที่ถูกปิดภาคออนไลน์เนี่ยเราก็มีความประสงค์ที่จะให้อย่างน้อยรายการของเราเป็นรายการที่ทวนกระแสของของของโลกพูดใหม่กระแสทว น, น, นกระแสที่จะพาไหลไปตามตันหา ตัณหาเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกระแสน้าที่จะพาไปสู่ที่ตกต่บนะนรกกําหนดเดชานุเบกษาเราค่อยทวนกระแสใชให้ไปสึงวิมุตติเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ไหลไปตามตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมให้ไหลไปตามวิมุตติไหลไปตามสัมาทิฏฐิอย่างนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังเวลาที่เราฟังใครมาดูหนังดูละครดูทีวีเนี่ยถ้าเป็นการดูการเล่นที่เป็นฆ่าสึกแกกุศลธรรมเนี่ยโอ้มันก็เสี่ยง จะทําให้มิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นได้ครับทีนี้ก็เลยในประเด็นของสัมมาทิฏฐิหรื อ, อความเห็นชอบช ก, ก็จะผ่านไปนะครับมุ่งสู่ตัวที่2ก็คือสัมมาสังกัปปะนะครับคือตัวบทพยัญชนะที่ตถาทกล่าวไว้สัมมาสังกัปปะก็คือการความดําริชอบใช่ไหมครับความิในอะไรครับท่านความดําริคือความความคิด ความดําริคือความคิดบทแห่งชนะเนี่ยมันกํากวมไงเนื่องจากว่าคําว่าความคิดในภาษาไทยที่ใช้เนี่ยมันกินความกว้างมาใช่ครับความนึกเป็นความคิดไหมก็เป็นความคิดความระลึกถึงเป็นความคิดไหมก็เป็นความคิดเพราะฉะนั้นเราจะใช้คําว่าภาษาบาลีพพุทธเจ้าใช้คําว่าสังกัปปะถ้าแปลเป็นไทยก็คือความน้ำรีคําดําริอย่างโครงการตามพระราชดาริอย่างเงี้ยคำน้ำริตรงนี้นี่คือความคิดในฝั่งดี ถูกต้องสมาสังกปะหรือความดำริชอบครับแต่เพราะนั้นถ้าดริเนี่ยถ้าจะแปลว่าความคิดทั้งหมดมันก็จะไม่ใช่นะก็ดำรินั่นแหละดำริก็คือดำริดำริก็คือสังกปะครับครับซึ่งซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้คนที่มีความดำริเนี่ย ดัมริชอบในหมายถึงดําริในเรื่องอะไรได้บ้างอ๋อในเรื่องที่ดีแค่นี้ดีก็คือวัดยังไงดีอ่าวัดยังไงครับดีไม่ดีเราก็วัดกันที่สมมุติสิ่งในโลกนี้ทั้งหมดเลยนะ ค, ความคิดความดําบิริความเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราแบ่งเป็น2 ส, ส่วนส่วนที่ดีนะส่วนที่ดีกับส่วนที่ไม่ดีครเอาส่วนไม่ดีก่อนนะส่วนที่ไม่ดีก็สิ่งอะไรที่ประกอบไปด้วยความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็คือการมาสุขนะอย่างที่สองก็คือมีส่วนประกอบของความพยาบาท ไม่พอใจโกรธเครียดแค้นคอันนี้อันที่สามก็คือเป็นไปด้วยความเบียดเบียนเบียดเบียนเบียเบียนทั้งตนเองผู้อื่นหรือทั้งสองฝ่ายถ้าเป็นสามอย่างนี้คืออยู่ในแดนลบฝังไม่ดีังไม่ดีคสว่าก็คือการพยาบาทเบียดเบียนครับส่วนถ้ามีเรื่องของความสงบความเรื่องของที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยกามครับไม่เกี่ยวข้องด้วยความพยาบาทไม่เกี่ยวข้องด้วยความเบียดเบียน แต่ที่นอกเหนือจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดนั่นคือส่วนดีครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดเรื่องไปถวายทานครับตามวัดว่างานบุญกระถิ่นอย่างนี้ก็เป็นส่วนดีเป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยการปฏิบัติเปลี่ยนอืก็จะเป็นส่วนดีขึ้นมานี่คือสมมาสังกปะล่ะครับยังความเฉยเฉยที่เราเรียกว่าอุเบกขาเนี่ยเกถือเป็นส่วนดีเอามาแล้วตงวงว่าเป็นอะไรอุเบกขาผมคิดว่าน่าจะส่วนดี แต่ว่า <You. S 2> มันมันอยู่ตรงกลางแต่ว่าค่อนเหมือนเหมือนเป็นความดีเพราะเราเราไม่ได้ทำสิ่งไม่ดีก็คือดีสมมติจากที่ท่านกล่าวก็คือแบ่งสองข้าง mm hmm. การที่เราละเว้นละเว้นความไม่ดี mm hmm. ก็คือความดีถูกต้องครับเพรา ะ, ะนั้นอุเบกขานี่ก็จะเป็นเรื่องของเว้นขาดจากการครับไม่เกี่ยวข้องริกาครับทีนี้อุเบกขาเนี่ยมันก็เกี่ยวเนื่องด้วยอามิชกมีนะ อ้โประเด็นไหนครับท่านอย่างสมมุติเราฟังเพลงคลาสสิกอย่างเงี้ยหรือเพลงบรรเลงแม่เพใจมันสงบมันนิ่งใจซีสงบที่นิ่งเป็นอุเบกขานะ่ยคุณอาศัยหูนี่อ๋<ช>อเป็นความความเพลินชนิดหนึ่งเป็นเป็นความเพลินแหละถ้ายังไม่ยังไม่เป็นพระานยังมีความเพลินอยู่อา้าวสมมุติอา่าเป็นอนาคามีก็ยังเพลินอยู่นะเอาเอาแค่คนที่กําลังปฏิบัติอะ่ะ ค, คุณอาศัยเพลงเพื่อฟังเพื่อให้จิตสงบอันเนี้ยความสงบที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปีติสุขหรืออุเบกขาก็แล้วแต่ อาศัยอามิตอิงอามิตครับเพราะว่าอิงอะไรใช้หูล่อเอาหูมาล่อเอาเสียงมาล่อทําให้จิตเราสงบครับซึ่งเทคนิคเทคนิคนี้ใช้ได้มันก็ได้เป็นเบื้องต้นได้เหมือนกันทีนี้คุณอาศัยอุเบกขาเนี่ยเพื่อก้าวลงสู่นิพพานได้ครับจะอิงอามิตไม่อิงอามิตก็ได้ไม่เป็นไรนะแต่สิ่งที่เป็นอามิตเนี่ยพระพุทธเจ้าเพียงแต่บอกว่าอย่าทํามากให้กลัวสิ่งที่ไม่เป็นอามิตเนี่ยควรทํา เอาอามิตแต่บางท่านอาจจะไม่เข้าใจเวลาเหลือพอจะอธิบายอามิตเนี่ยแปลว่าสิ่งที่แปดเปื้อนอามิตเนี่ยนะแปลว่าความแปดเปื้อนแปลว่าต้องอาศัยเครื่องล่อเครื่องล่อก็มีอยู่ห้าอย่างไม่เอารูปมาล่อโดยใช้ผ่านต่างตาหรือไม่ก็เอาเสียงผ่านทางหูเอากลิ่นผ่านทางจมูกเอารสผ่านทางลิ้นเอาสัมผัสทางกายผ่านทางผิวหนังอย่างเงี้ยก็ห้าอย่างนี้ถ้าต้องอาศัยห้าอย่างนี้แล้วทําให้เกิดความสุขขึ้นเนี่ย สุขสมนัที่เกิดขึ้นเนี่ยเรียกว่าการมสุขครับเขาเรียกผ่านทางอายตนะทางกายใช่ครับหอย่างตาหูจมูกลิ้นกายคือสัมผัสทางกายครับห้าอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีอุเบกขาที่เป็นอมิตรมีอุเบกขาที่ไม่เป็นอมิตรเป็นยังไงก็คืออยู่ๆก็เกิดขึ้นมาเองฉันทำของฉันเองไม่ต้องพึ่งใครเป็นอุเบกขาที่ไม่อิงอมิตรอ๋อเจริญได้ด้วยตนเองอ่าอยู่ในใจของเราเรานั่งสมาธิอยู่อย่างเงี้ย ทำสมาธิไปลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆจนจิตเป็นอุเบกขาครับนะอันนั้นแหละคืออุเบกขาที่ไม่อิงอารมิตเป็นนิรามิตรนิรามิตรไม่อิงอามิตกับนิรามิตรแปลเหมือนกันอามิตรกับเครื่องล่อเหมือนกันครับสองอย่างนี้ครนินิระภาษาไทยก็คือแปลว่าไม่แปลว่านิระภัยก็คือไม่มีภัยใช่นิระบวกอามิตรก็กลายเป็นนิรามิตรถูกต้องถูกต้องแล้วก็พระพุทธเจ้ายังบอกว่ามีอุเบกขาที่ เป็นนิรามิตที่ยิ่งกว่าเป็นนิรามิตอ๋อเป็นยังไงครับท่า น, นคํานี้ลึกซึ้งนะครับเป็นอุเบกขาที่เป็นนิรามิตยิ่งกว่านิรามิตคืออุเบกขาของพระอรหันต์พระอพระพุทธเจ้าใช้คํานี้นะบอกว่าภิกษุใดที่หมดราคะหมดโทสะหมดโมหะแล้วเข้าอยู่ในอุเบกขาอุเบกขาของเธอนั้นแหละเป็นอุเบกขาที่เป็นนิรามิตยิ่งกว่าเป็นนิรามิตของคนที่ไม่มีราคาโทสะโมหะแล้วนะครับนี่ก็เป็นอุเบกขาสามอย่าง รวมถึงความสุข3มอย่างาความทุกข์สมอย่างปีติ3อย่างสุข3อย่างก็คือที่เป็นนิรามิต ท, ที่เป็นอามิตรที่เป็นนิรามิตยิ่งกว่าเป็นนิรามิตสาอย่างรตรงนี้อันนี้ประเด็นนี้คือสืบเนื่องมาจากที่หมาลักษ์พงศ์ปาฏามเรื่องเปิขาในเรื่องของสามาสังาปากปะคกันก็เลยใช่ครับลึกไปเต่อต่อยอดไปไม่เป็นไรก็คงมีโอกาสได้แจกแจงกันไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมก็ตามติดตามท่านผู้ฟังนะครับเพราะว่าเราเผยแพร่ทาง อ <Internet. S 1> ใช่ครับส่วนส่นทฤษฎีตอบคําถามของมารุตพงศ์ที่ว่าอุเบกขาเนี่ยเป็นอะไรใน3อย่างของสัมมาสังกปะนะใช่ครับก็ต้องเป็นอยู่ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกามครับก็คือจะเป็นอุเบกขาครับเพราะว่าไม่ได้อาศัยตาหูจ ม, มูกลิ้นกายครับแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับความสุขทางนั้นครับใน2องค์ธรรมมาร์กสข้อแรกก็จะจัดอยู่ในหมวดของปัญญาใช่ไหมครับคือสัมมาทิฏฐิกับสังมาสังกปะ ใช่ไหมครับใช่่ที่พระพุทธเจ้าเคยเคยพูดว่าในมรรคแปดเนี่ยถ้าจะรวมกันก็ได้เป็นสคือสี่สมาธิปัญญาใช่ครับอ่าเราต้องไปค้นคว้านิดหนึ่งว่าพระองค์ได้พูดชัดเจนหรือหรือเปล่าว่าสองอย่างแรกนะคือปัญญาปัญญาสมาธินะคือสามอย่างหลังนะใช่ครับอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องไปค้นคว้าดูเพิ่มเติม เนะี่พ ว, ว่าบทพเพลงชนะของพระเจ้านี่อาจจะแบง่งชัดมากมมคัญมากอ่าถ้าไม่ได้แบ่งชัดก็อาจจะก็เราก็อาจจะไม่ต้องลงรายละเอียดตรงนั้นก็เจะต้องไปค้นคว้าเพิ่มเติตเมตหรือว่าท่านผู้ฟังที่ฟังรายการทางอินเทอร์เนต็ตเนี่ยมีความรู้ในเรื่องของการค้นคว้าหาในพระราชปิด ก, ก็ส่งข้อมูลมาได้ครในในเพียวธรรมะดอทคอมวิธีการสืบค้นต่างต่างๆก็เครื่องไม้เครื่องมือที่ทางเหล่าคณะสงฆ์วัดนาปะพงได้ ได้ผลิตออกมาเป็นเรื่องซอฟต์แวร์ก็มีนะก็จะสามารถใช้ตรงนั้นในการที่จะสืบคนได้คิดว่าวันนี้เราได้อธิบายไปถึงเรื่องอะไรบ้างรัตตบงก็มรรคสองค์แรกมรรคสององค์แรกสัมมาทิฏฐิและก็สัมมาสังกัปปะนะครับแล้วก่อนนั้นเราก็ได้พูดถึงเรื่องของอะไรล่ะตัวเส้นทางหลักคือมรรคที่จะเข้าสู่หนทางวิมุตินะครับพูดถึงเรื่องของ ที่ต้องทราบก่อนเกี่ยวกับเรื่องมรรคทั้งหมดใช่ครับองค์ประกอบต่างๆปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะครับใช่ใครับเพราะวันนี้เราก็พูดถึงเรื่องมรรคสองค์แรกเนาะเพราะในครั้งต่อไปก็จะมาต่อมรรคองค์อื่นเจาะลึกในรายละเอียดของมรรคองค์ต่อๆไปครับวันนี้ก็คิดว่าถ้าท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นข้อเสนอแนะคําถามอะไรทั้งหมดเนี่ยส่งมาได้นะเจ้าหน้าที่ที่ ทั้งหมอรัตตพงเองนะหรือว่าตัวอาตมาพระไพบุญเองเนี่ยจะมีฟีดแบ็กหรือว่าข้อเสนอแนะก็ส่งมาทางเจ้าหน้าที่หลังใหม่ก็ด้วยเหมือนกันนะในเรื่องของเทคนิคเทคนิคเข้าเทคโนโลยีอะไรต่างๆได้ส่งมาที่ไหนมาทัตพงศ์เวิร์ลไวเว็บนะครับก็เป็นเว็บไซต์ที่ท่านคุ้นเคยกันดีนะครับใช้เป็นหลายช่องทางในการสื่อสารสื่อธรรมะของพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนนะครับ ก็คิดว่าวันนี้ก็พอเท่านี้ให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันต่อไปนในครั้งต่อไปครับขอกราบน้ำสการพระอาจารย์ไพรบุครับแลวก็กราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ